พร้อมกับเสียงเพลงของวิทยุในรถจะดังขึ้นริดปรีปริดเสียงนกหวีดให้รถจอดจอดจ้าจอดถึงสามยอดรถจอดทันทีอาเฮียอย่าพิ่งขึ้นมาอเาฮียอย่าพึ่งขึ้นมาขอให้คุณป้าจะลงก่อนตีขึ้นแล้วก็เถิบเข้าในตาตงเตรียมไว้จะได้รอรีหลักเมืองถึงเอสอบ หลักเมืองถึง S A B ราคาเขามีสามติดตางไว้ก้าวไว้นแล้วเดินในจะได้หยุดยัง mm ้ง hmm. เบียดกันโปรดจงระวังเบียดกันโปรดจงระวังกระเป๋าตะตาง mm hmm. ท่านจะหายไปท่านหญิงโปรดเดินข้างในท่านชายจะลุกให้นั่ง mm hmm. ว่าจะไงขัาเล่าอาบาหังว่าจะไงกัาเล่าอาบาหังตัวหรือยางโปรโดบอกว่าให้ริ รีริเสียงนกขนะหรถจอดจอดกาจอดถึยอด